ยติจตุตกรรมอุปสัมปทาภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงสาบด้วยยติจตุธกรรมวาจาวา่าข้อหนท่านผู้เจริญขอสง์จงฟังข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเปรคขาของท่านผู้มีชื่อนี้บริสุทธิ์จากอันตรายยิกธรรมทั้งหลายเขามีบาทและจีวรครบแล้วผู้มีชื่อนี้ขออุปสมบทต่อสง์ มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชาถ้าสงพร้อมกันแล้วสงพึงให้ผู้มีชื่อนี้อุปสมบทมีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชานี่เป็นยัตติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเบขาของท่านผู้มีชื่อนี้บริสุทธิ์จากอันตรายยิ่งธรรมทั้งหลายเขามีบาตรและจีวรครบแล้วผู้มีชื่อนี้ขออุปสมบทต่อสงมีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชา ทรงให้ผู้มีชื่อนี้อุปสมบทมีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชาท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้ผู้มีชื่อนี้อุปสมบทมีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชาท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเปรคาของท่านผู้มีชื่อนี้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 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ท่านผู้เจริญขอทรงจงฟังข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสำปทาเปิกขาของท่านผู้มีชื่อนี้บริสุทธิ์จากอันตรายกธรรมทั้งหลายเขามีบาทและจีวรครบแล้วผู้มีชื่อนี้ขออุปสมบทต่อสงมีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชาสงให้ผู้มีชื่อนี้อุปสมบทมีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชา ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้ท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชาท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงท่านผู้มีชื่อนี้สงให้อุปสมบทแล้วมีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชาสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้อุปสัมปทาวิธิจบ